นั่งแล้วรู้สึกตัวเลยยังคือตัวนี้ก็นึกถึงพระเจ้าก็ให้กรรมฐานง่ายๆนะมันเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่ามันจะ ง, ง่ายกับที่เราไม่ต้องไม่ต้องนึกถึงอะไรมากนะนึกถึงเบรกแก้อิเลยบทที่ดำรงอยู่อเงี้ยแต่ว่าในนั้นก็คือ เรารู้เป็นปัจจุบันคณะอย่างเงี้ยเนานะแล้วก็พอท่านให้ว่ามันมีเหมือนกับอิริยบทหลักๆนะั่ก็ยังมีเหมือนกับว่าตามรู้อิริยบทย่อยๆอย่างเงี้ย น, นะมันก็ทําให้เราได้เหมือนกับมันก็เราได้จิตเนาะเหมือนกับกลับมาแล้วก็ค่อยๆตามไปรู้สิ่งต่างๆนานาตรงนั้น มันเป็นสิ่งที่ทำให้เราสามารถที่จะมีกรรมฐานต่อเนื่องเนาะการมีกรรมฐานต่อเนื่องก็ทำให้เราได้ปฏิบัติธรรมต่อเนื่องพอเราได้ปฏิบัติธรรมต่อเนื่องผลของการปฏิบัติธรรมก็คือนะไรทำแหละยอมรักษาผู้ประพฤติธรรมเป็นนิสัย น, นี่ก็คือเป็นเรื่องที่เหมือนกับในทรรพุทธเราก็ เชื่อในการปฏิบัติเนาะเราไม่เชื่อโชคเชื่อลางไม่เชื่อการอ้อนวอนขอร้องอะไรแต่ว่าตรงนี้ก็ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการนั่นนั่นคือพอเราเหมือนกับถ้าเราไม่ปฏิบัติทำไม่เปปฏิบัติตามทำอย่างเงี้ยเนะเราก็ต้องปฏิบัติตามตามอะไร ตามอธรรมมันมีแค่นี้ใช่ไหมอย่างนั้นคือมันหนึ่งเราต้องทำอะไรสักอย่างอ่ะถูกไหมอย่างเนี้ยมันไม่ใช่แค่ทําอะไรสักอย่างทำอะไรเยอะแยะอย่างเงี้ยแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีทํานําอะไรละที่มันจะนําให้เราทำเนีย่ยนั่นคือเวลาที่ผ่านมากายใจของเราก็ถูกคล้ายๆว่าถูกครอบงำเนานะถูกครอบงาด้วยด้วยฝ่ายก็เรียกว่าฝ่ายลบอย่างเงี้ยนะฝ่ายอาธรรมอย่างเงี้นะยนางน ฝ่ายที่เป็นอกุศลอย่างนี้นะเพราะอย่างนั้นเนี่ยมันก็ทุกโทษมันก็เกิดเพิ่มขึ้นวันหนึ่งไม่น้อยก็มากแต่ต้องมีอ่ะทุกวันสามร้อยหกสิบห้าวันสิบปีก็สามพันหกร้อยเรื่องเ ย, <c oughs> เยอะแยะนะะเยอะแยะนั่นก็อายุมากขึ้นก็ทุกมากขึ้นอายุมากขึ้นก็ทุกมากขึ้นนี่คือสิ่งที่เราเองเราไม่ได้ ไม่ได้มาดูที่ต้นเหตุนะว่าเอ๊ะต้นเหตุของความทุกข์ที่มีอยู่นี้คืออะไรแล้วเราก็ไปโทษไปชี้เหตุของของความทุกข์ผิดไปยังเมื่อก่อนนี่หลวงว่าไม่เคยมองกลับมาที่ตัวเองมีแต่คนนั้นทำให้เราทุกข์เรื่องนี้ทำให้เราทุกข์อะไรต่างๆนานาเรามีแต่มองออกนอกตัวไปหมดเนื้วนั่นคือตรงนี้าการปฏิบัติธรรมเนี่ยเพียงแค่เรากลับมาเนาะกลับมาเปลี่ยนจากที่เคยชินเนี่ย ยังคงทําทุกอย่างแต่ว่าเราเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นด้วยสติพอเริ่มต้นด้วยสติก็มีธรรมนาหน้าอย่างเงี้ยมีธรรมนาหน้าความรู้ความชำนาญที่เราเคยมีอยู่ก็มีแต่เมื่อก่อนความรู้ความชำนาญของเราที่มีมันกลายเป็นตัวตนเนาะมันกลายเป็นตัวตนกลายเป็นความอยากมีอยากได้กลายเป็นผลประโยชน์กลายเป็นอะไรต่างๆนานาซึ่งท้ายที่สุดเนี่ยทั้งหมดตรงนั้นมันก็ทําให้เราเป็นทุกข์ทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยนะเรื่องตัวตนนี่ หลวงพ่อพุทธาท่านก็พูดชัดเจนนะตัวกูของกูเนี่ยก็ยังคิดถึงเอะหลวงพ่อพุทธาพูดไม่ค่อยเพราะแต่ว่านั่นคือมันเป็นเรื่องที่มันมันเป็นเรื่องที่อันตรายใช่หมมันเป็นอันตรายมนะันเป็นเหตุใหญ่ๆที่ทำให้เราทุกข์เนี่ยแต่ว่าเมื่อก่อนก็เหมือนกับเราฟังเราก็เหมือนกับจะพอรู้นะรู้แนวนะแต่ว่า มันไม่เข้ามาในใจนะแล้วตัวตนของเรามันก็แทรกขึ้นมาในในทุกๆตอนเราเก่งเราดีเราอะไรต่างๆนาน า, น า, น า, นานแล้วเนี่ยมันมีแต่เรานําหน้าหมดเลยมนเข้ามาทำเราทำไมเราถึงเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ย ม, มันมีเราโอ้โหนะอย่างเงี้ยแต่พอเวลาที่เราปฏิบัติธรรมะมันจะต่างไปเนาะอ๋อเราจะเห็นความคิดเราจะเห็นกายเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยมันไม่มีเรานะ มันไม่มีเรานะจนเะมื่อก่อนความคิดก็ของเราร่างกายก็ของเราอนะไรเงี้ยแต่พอเราเริ่มต้นหนวมพระเตียนเริ่มต้นให้นยะคำว่าเราไม่มีนะคำว่าเราไม่มีแลเวรามันก็จะอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยนัก็จะมีสติคอยดูความเป็นไปของร่างกายคอยดูความเป็นไปของจิตใจอย่างเงี้ยมันไม่มีตรงไหนที่มีเราอะอย่างเงี้ยนั่นนี่นคือตรงเนี้ยมันก็เป็นเรื่องที่ครูบาอาจารย์ท่านก็ช่วย ช่วยเขาเรียกว่าตั้งต้นใหม่ให้เรานะได้เห็นเขาเรียกว่าได้เห็นถูกสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะได้เห็นถูกแล้วสัมมาทิฏฐิที่สําคัญก็คือการที่เรามีสติที่จะเห็นนี่ล่ะมันเป็นการเห็นที่ถูกต้องตาเนี่ยเห็นไม่ถูกต้องหลงมนักต่อนักแล้วคนนี้หน้าตาอย่างเงี้ยไว้ใจได้หน้าตาอย่างเงี้ยไว้ใจไม่ได้มีไหม เราก็เชื่อตาเราเนาะใช่ไหมอย่างเงี้ยน่าก็ผิดมานักต่นักแล้วไอ้ว่าใบใจได้กับใบใจไม่ได้เนี่ยผิดมานักต่นักแล้วนั่นคือนี่นี่คือสิ่งที่เราเรียกว่าความเห็นเนาะมันก็เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่เป็นสติเห็นอย่างเงี้ยนะพอสติเห็นเนี่ยหมายถึงมาถ้าเราเห็นบนความ พอใจไม่พอใจแบบเมื่อก่อนอย่างไว้ใจได้ไม่พไว้ใจไม่ได้นี่ก็คือพอใจไม่พอใจน้ะพอใจก็เรียกว่ไว้ใจได้ไม่พอใจก็เรียกว่าไว้ใจไม่ได้อันนั้นเราก็เห็นตามความพอใจไม่พอใจถ้าภาราที่พระเจ้าตั้งให้เนี่ยแล้วก็บอกว่ามีสตินี่คือละความพอใจไม่พอใจใช่ไหมอย่างเนี้ยละความไม่พอใจพอใจไม่พอใจนั่นคือถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเราคิดไปว่าพอใจไม่พอใจก็วางไว้ก่อน ใต่มอย่างเงี้ยกลับมารู้สึกตัวก่อนแล้วเราก็ค่อยเหมือนกับว่าเห็นเห็นตามความเป็นจริงอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเราก็อ่านจจอย่างที่ว่าไว้ใจได้ไม่ไว้ใจได้พอเวลาที่พระเจ้าสอนอย่างเงี้ยสักแต่บ้านรูปอย่างเงี้ยนะสักแต่นรูปยิ่งหลวงพ่อกำเขียนท่านบอกว่าถ้าเขาไม่ดีวันนี้เดี๋ยวเาพรุ่งนี้เขาก็มีโอกาสที่จะดี ครุงนี้ก็ไม่มีโอกาสที่จะดีก็ยังไม่ดีก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็ก็จะดีอย่างเงี้ยนะอาทิตย์หน้าไม่ดีเดี๋ยวก็เดือนหน้าเขาก็จะดีได้อาจจะดีได้เดือนหน้าไม่ดีก็ปีหน้าปีหน้าไม่ดีก็ชาติหน้าคือพอเรามองแบบนี้มันก็มันก็นกคือไอ้การที่เราเคยการกระบาดเอาไว้ว่าคนนี้อันตรายคนนี้คบไม่ได้อะไราตนนานานานอ น, านี้อันนั้นมันมันเป็นความเห็นผิดของเรานะแล้วเราก็ทุกนะทุกกันอย่างนี้ หลวพ่อก็เคยมีเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนรักกันแล้วเหมือนกับว่าสนิทกันมีพากันทำนู่นทำนี่ก็ดีกันวันหนึ่งก็เหมือนกับว่าเกิดความโกรธขึ้นเนายเกิดความโกรธขึ้นในใจก็ไม่พูดกันมาเลยนจนถึงเดี๋ยวนี้ะเงยนะโอ้แบบว่าจะหกสิบปีแล้ว <laughs> เราก็นึกถึงนี่นี่คือสิ่งที่เหมือนกับ ความโกรธเนาะมันทําให้เกิดทําเกิดทุกโทษเกิดทุกโทษนั่นคือตรงเนี้ยมันมันเราไม่แก้ไขนะเราไม่แก้ไขความโกรธแต่เราเพิ่มสติเพิ่มความรู้สึกตัวการที่เรามีธรรมนาหน้ามีสติมีความรู้สึกตัวในการที่เราเคลื่อนไหวครั้งหนึ่งเคลื่อนไหวนี้จะเรียกว่า จะมาจับเบาเครื่องหมานี่เครื่องหมายอะ้รนี้จะเรียกว่าจับแก้วน้ำจะเรียกว่าอะไรยังไงก็ตามเนี่ยแต่ว่านั่นคือมันจะเป็นเรื่องที่ชีวิตของเราจะเปลี่ยนนะเพราะว่าชีวิตของเราจะเปลี่ยนไปยังหลวงพ่อว่าเมื่อก่อนหลพ่อก็เป็นคนจ้าระเบียบเราคิดว่าคงไม่น้อยกว่าใคร <c oughs> ความเจ้าระเบียบตรงเนี้หนบพว่มามันก็เป็นเรื่องที่พอเวลาที่เรามองคนอื่นคนอื่นไม่มีระเบียบเนี่ยมันก็หงุดหงิดนะอย่างนี้ใช่ไหมเนี้ยวันนั้นนั่คือระบบระเบียบเนี่ยหนบพว่มามันเป็นความถูกต้องทางโลกที่นบพา่าเป็นทุกอันหนึ่งทุกเยอะเลยแต่พอเวลาที่เราเราเวลาที่เราอยู่กับฝ่ายสติเนี่ยนบพา่าความเป็นระเบียบเรื่ยมน้อยมันเกิดขึ้นเนียเกิดขึ้นจากการที่เรารู้สึกตัวเนี่ย หลวงพ่อว่ามันต่างเลยนะแล้วก็การที่เราใช้ความรู้สึกตัวมันมันจะเป็นเรื่องที่เหมือนกับเวลาที่เราเห็นผลของสิ่งที่เราทํามันไม่เรียบร้อยบอ๋อนี่แสดงว่าเราแบบว่าเราหลงไปใช่ไหมอย่างนี้อา้าวหลงไปก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็มีโอกาสใหม่มีโอกาสใหม่มีโอกาสใหม่ซึ่งตรงเนี้ยหลวงพว่าคือพุทธเจ้าเองหลวงา่อว่าคำตำหนิของพุทธเจ้านี่ไม่มี สิ่งที่หลวมพ้อมได้ยินได้ฟังอย่างที่บอกว่าสิ่งที่ดีกว่านี้ยังมีอยู่อีกไม่ใช่เพียงเท่านี้เนี่ยหลวงพ่อว่าโอ้มันเป็นคําที่น่าสนใจมากนะมันไม่ใช่ตําหนินะแต่มันเป็นการชี้ช่องให้เราว่าเราสามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้พัฒนาตัวเองได้นั่นก็คือพอเวลาที่เรารู้จักกับการที่กลับมารู้สึกตัวเป็นครั้งครังเป็นครั้งครั้งเป็นครั้งครังตรงเนี้ยมันจะทําให้ชีวิตเราดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้ น, นแล้วก็ เราไม่ต้องคอยไปแก้ปัญหายุมย่มยุมย่มยิ้มยิ้มอะไรต่างๆนั่นนะ่ะนิสัยคนนี้เป็นอย่างนั้นนิสัยคนนั้นเป็นอย่างนี้ทําไมถึงได้ทํา้หนุ่นไม่ดีทำนี้นี่ไม่ดีใช้ไปเลยนะใช้มีสติตามีความรู้สึกตัวกับเรื่องราวต่างๆ ท, ที่ที่เกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยผมพรามาใช้ได้ตั้งแต่เด็กจนโตอย่างเงี้ยนะใช้ได้ตั้งแต่ตื่นจนหลับแล้วผลของตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าเราอยู่ในต้องดูแลใครอะไรอย่เงี้ยนะอาจจะ ให้ให้โอกาสเขาได้รู้จักสติรู้จักความรู้สึกตัวแล้วก็เหมือนกับคอยที่จะดูแลตัวเองหลวงพ่อมาตรงนั้นนะมันเป็นสิ่งที่มันเป็นหลักที่จะทำให้ชีวิตเขาดำเนินไปใ น, นทางที่ดีแล้วก็หลวงพ่อว่ามันก็ง่ายเนา ะ, ะง่ายแล้วก็มันก็ไม่เป็นเรื่องของการตำหนิไม่เป็นการดุว่ากันไม่เป็นอะไรต่างๆนั้นนี่นนนเพียงแต่ว่า ứng, เตือนให้กลับมาใช้สติใช้ความรู้สึกตัวกับเรื่องราวต่าง เพราะมันก็ดีดีกับใจดีกับตัวเองดีกับคนภายนอกตรงเนี้ยหลวงพ่อคำเขียนท่านก็ <c oughs> ใช้คำพูดที่ก็ไม่เคยได้ยินที่อื่นนะนันก็บอกอกว่าถ้านเรารู้สึกตัวเนี่ยเราจะไม่ทำให้ตัวเองเป็นทุกข์ทานเราก็จะไม่ทำให้คนรอบข้างเป็นทุกข์อย่างเงี้ยคือตรงเนี้ยมันเป็นทั้งเหมือนกับว่าทั้งเป็นทั้งที่เราเห็นจากท่านนะเราเห็นจากท่านเนี่ยคนรอบข้างท่าน ไม่เคยมีทุกข์กับท่านเนะอย่างนี้ท่านไม่เคยทำให้ใครรอบข้างเป็นทุกข์แต่ท่านก็ยังช่วยให้คนรอบข้างที่เป็นทุกข์อะพ้นจากทุกข์อีกอย่างนี้คือนี้คือมันเป็นเรื่องที่ผู้มีสติมีความรู้สึกตัวเนี่ยมันเหมือนกับไม่ต้องพูดอะไรไม่ต้องทำอะไรมากแค่เพียงแค่อยู่ด้วยกันเนานะอ่างกับกรียาต่างๆมันก็ทำให้เราได้กลับมาสารวจตัวเองเนาะ แล้วก็ไม่ใช่ว่าเราผิดเราถูกนะไม่ก็ไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าหมายถึงกลับมาสำหรับตัวเองก็คือเอ้เราเราลืมใช้สติไปไหมเราลืมรู้สึกตัวไปไหมอะไรเงี้ยคือตรงเนี้ยมันจะเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เหมือนเมื่อก่อนเราระบบระเบียบนะั้นเดินเข้าไปพวกคนที่ไม่เจ้าระเบียบอย่างเรานะก็แบบว่าหลบรีบหลบเกินเพราะความกลัวอะไรเงี้ยนะใช่ไหมงัม้นให้บรรทัดตรงๆมาแล้วอะไอย่างเงี้ยซึ่งตรงนั้นมันก็เป็นเรื่องที่ มันมันเป็นอีกอารมณ์หนึ่งเลยนะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งนั้นนั่นคือพอเวลาที่หลวงพ่อเขียนท่านท่านก็เหมือนกับคือชีวิตท่านอ่ะแม้กระทั่งตอนที่ท่านแบบเพิ่งให้ชีโมกลับมาจากโรงพยาบาลอย่างเงี้ยเนาะพอกลับมาจากโรงพยาบาลโดยโดยโด ย, โดยคนที่ได้รับชีโมเนี่ยก็จะเหมือนกับหลวงพ่อมาคงมีความอ่อนเพลียพอสมควรนะ หลวงพ่อก็ไม่เคยไม่ไม่เคยแต่เขาก็เคยได้ยินคนคนที่รับเคมีโมโปุ๊บเนี่ยกลับมาก็มีอย่างนั้นแต่ว่าอย่างวันหนึ่งเนี่ยเราก็เห็นโยมที่เขาเหมือนกับว่าเพิ่งทราบว่าหลวงพ่อคำเขียนไม่สบายแล้วก็มาหาเนาะเขาก็แบบว่าแบบก็มาพูดคุยสักถามหลวงพ่อจนหลายชั่วโมงนะหลวงพ่อเดินทางจากกรุงเทพนะ เข้าไปที่สุกระตรงหกชั่วโมงเนี่ยหลวงพ่อก็หลวงพ่อท่านก็นั่งรถแล้วก็ไม่หลับนะหกชั่วโมงไปแล้วมาถึงแล้วห้องนองห้องน้าก็คิดว่ายัางไม่ได้เข้านะตอนนั้นนะลงจากรถมาขึ้นถึงกุฏิก็โยมก็มากราบแล้วก็นั่งคุยต่ออีกสองสามชั่วโมงอย่างเงี้ยแต่ท่านก็เมตตานาะท่านก็เมตตามากๆซึ่งตรงนั้ น, นเรามีความรู้สึกว่าคือนัเหมืนนั้นคิดว่า ญ า, ญาติที่ทที่มากราบหลวงพ่อก็คงทุกข์ใจนะแต่ก็คงเหมือนนว่าพอได้คุยกับหลวงพ่อก็คลายใจว่า อ, อ้อหลวงพ่อก็มีความเจ็บป่วยในในระดับ ท, ที่ไว้ใจได้ไม่นั่งไม่นา่งห่วงเพราะหลวงพ่อก็นั่งคุยด้วยสบายๆอะไรเงี้ยแต่จําได้เลยว่าวันนั้นพอเวลาที่โยมหลางกลับไปแล้วนะหลวงพ่อก็อลุกขึ้นมาหลวงพ่อด้เข้าห้องน้าแล้วเนาะ <c oughs> คือแต่ว่าเราก็ไม่เห็นหลวงพ่อหลุกหลีกอะไรนะฮะก็คือก็เห็นหลวงพ่อเขาเป็นปกติมากๆนั้นนี่คือพอเวลาที่เราเห็นแบบนี้นะก็คือมันเหมือนกับยังไงฮะหลวงพ่อก็ไม่ทําให้ตัวเองทุกข์หลวงพ่อก็ไม่ทําให้คนรอบข้างทุกข์แล้วก็ช่วยให้คนรอบข้างไม่ทุกข์ไปด้วยอะไรเงี้ยนั่นนี่คือตรงเนี้ยว่าด้วยด้วยเราเพียงแค่ทำความรู้สึกตัวอย่างเดียวเนี่ยแล้วก็ตรงเนี้ยมันก็จะพัฒนาชีวิตติดใจของเราให้มันเปลี่ยนแปลงไป ความรู้ความชำนาญไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะความรู้ความชนาญมันจะชัดเจนขึ้นก็ยังเหมือนกับมีในพุทธ ก, การเนี่ยในครั้งพุทธเจ้าเองเนี่ยก็เหมือนกับพุทธเจ้าเหมือนกับพบนักดนตรีคนหนึ่งนะแล้วก็ปรากฏว่าพระเจ้าก็ขอยืมดนตรีของเขามามาเป่ามาอะไรอย่างเงี้ย พอเขาได้ยินพุะเจาเป่าเนี่ยเขาก็เหมือนกับตกใจมากเลยว่าทำไมพระที่เจ้าเก่งกว่าเขาอย่างเงี้ยเพราะว่าก็เหมือนกันเขาเป็นั้งดนตรีชั้นเลิศอย่างเงี้ยนะแต่ว่านั่นคือมันเป็นเรื่องที่ก็อย่างที่บอกว่าคือเราขับรถก็ได้นะแต่ว่าถ้าเราขับรถด้วยสติมันก็ดีกว่าดนตรีก็เหมือนกันเราเล่นดนตรีก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราเล่นดนตรีด้วยสติก็ดีกว่ามันานั่นนั่นคือตรงเนี้ยความรู้ความชานาญที่เรามีกันอยู่เนี้ย ไม่ต้องห่วงนะถ้าเรามีสติก็เป็นเสริมเนี่ยตรงนั้นมันก็จะเป็นสิ่งที่ในงานการก็ดีแต่ว่าทางธรรมในจิตใจของเราก็จะพ้นทุกข์ไปด้วยอะอย่างเงี้ยตรงนั้นก็ให้พวกเราได้เหมือนกับอาศัยนะอาศัยเวลาลองดูว่าในช่วงเวลาที่มีอยู่ตรงเนี้ยอะไรบ้างนะที่มันจะช่วยให้เราได้มีสตินะเก้าแต่ละเก้าเป็นยังไงนะตาที่เห็นหูได้ยินจะเป็นยังไงอนะไรเงี้ยเรากลับมามีสติได้ไหม การกลับมามีสตินะอย่างนั้นนะผมแปลว่ามันมันเป็นชีวิตของผู้ที่มีธรรมชีวิตของผู้ที่มีธรรมเพราะว่าหลวงพ่อเขียนท่านก็คิดว่าท่านก็อย่างนี้ละเพราะท่านก็สอนแบบเดียวกันคือกลับมามีสติกลับมารู้สึกตัวนั้นการที่ท่านท่านเหมือนกับมีบุคลิกท่าทางวาจา อะไรต่างๆนาน า, นานเหล่านี้ทุกอย่างเนี่ยมันก็งดงามเพราะว่าเพราะว่าการมีสติของท่านก็หลวงพ่อพก็สิบกว่าปีที่ผ่านมามันก็ไม่ได้พูดเรื่องอื่นนะพูดเรื่องหลวงพ่อคําเขียนนี่นะแต่ก็มีความ ร, รู้สึกระลึกถึงที่ไร ล, ล้วก็มีความ ร, รู้สึกว่ารายละเอียดของท่านนะก็จะเรียกว่า อุจจาระปัสสาวะอย่างที่เราสวดในมหาสติปัฐานอะไระอย่างเงี้ยนะก็ท่านก็ท่านก็งดงามท่านก็งดงามอยเนี้ยท่านก็เหมือนกับว่าเวลาที่เราสวดมหาสติปัฐานก็จะมีนะอุจจาระปัสสาวกรรมเมสัมปชาณากาลิโหติเนี่ยนะมันเหมือนว่าทําคํารู้สึกตัวในการถ่ายอุจจาระปัสสาวะอะไรย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นก็มันก็เป็นสิ่งที่ เราก็มีกันอยู่วันหนึ่งก็หลายครั้งอย่างเงี้ยนะนั่นะ น, นึงคือถ้าเราอาศัยอิเดียบททุกอิเดียบทเนี่ยกับกับการรู้สึกตัวว่าตอนนี้เรากําลังนั่งอยู่ยืนอยู่มีอิเดียบทย่อยๆอะไรยังไงในะตอนนานๆอย่าเงี้ยเราก็มีโอกาส ร, รู้สึกตัวทั้งวันทั้งวันทั้งวันเนาะอย่างนั้นก็ก็พวกเราก็ปฏิบัติทํากันนะแล้วก็ถ้าเกิดใครมีอะไรซักถามใครมีอะไรยังไงหลวงพ่อก็อยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็ เดี๋ยวสามโงคึ่งมาเจอกันเนาะ